บทที่ 7. ส่งวิญญาณเมื่อลานดาวพามาวันทามาถึงซุ้มหมอดูนั้นเพิ่งเป็นเวลาส1บอนาฬิกาเศษห้างเปิดเพียงครู่ใหญ่ทีแรกเห็นหมออุปการะนั่งอยู่กับลูกค้าเพียงรายเดียวก็โล่งใจคิดว่ายืนรอพักหนึ่งก็ได้ดูแต่ที่ไหนได้พอเดินเข้าไปใกล้ดันมีเด็กหน้าตาประหลาดคนหนึ่งกลากเข้ามาถามมาดูดวงกับหมออุปการะใช่ไหมครับลานดาวทำหน้าแปลกใจจะ้ะช่วยรับบัตรคิวด้วยนะครับเอะอะไรกัน มีนัดก่อนพี่19รายครับดูได้จํากัดรายละ15นาทีหมออุปการรัพักทานข้าวตอนบ่ายสาโมงตรง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคิวนัดที่20ของพี่สี่โมงสีนะครับช้าเกิน5นาทีถ้าคนอื่นเผอิญแวะมาในช่วงนั้นก็จะได้คิวของพี่ไปแทนช่วยเทียบเวลากับผมด้วยตอนนี้11บเโมงแนาทีลานดาวนึกว่าหูฝาดมองหน้าเด็กหนุ่มคล้ายเห็นมนุษย์ต่างดาวโผล่มาทักกลางวันแสกแสกอั้มอึ้งอย่างนึกไม่ถึงว่ามีเรื่องอย่างนี้ในโลกจริงๆ ขอดูต่อจากคนนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ครับ10คิวต่อไปเขามารับบัตรตั้งแต่เมื่อวานเมื่อกี้ผมเห็นเดินโตเตรออยู่แถวนี้เองแล้วทำไมให้ดูแค่15นาทีปกติต้องครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำถึงจะถูกแขกเยอะครับพี่ไม่งั้นเดี๋ยวต้องต่อคิวกันข้ามอาทิตย์พี่จะรับหรือไม่รับครับเด็กหนุ่มถามยังไม่ค่อยมีเยื่อใ่เห็นได้ชัดว่าพร้อมจะมอบปัตคิวต่อให้คนอื่นอยู่แล้ว ไว้เขายังไม่ถึงขั้นจะตะลึงหลงรูปโฉมลานดาวพอหลอนทำหน้าบึ้งตึงจึงรู้สึกรำคาญปนหมันไส้มากกว่าอย่างอื่นรอก็ได้ตอบห้วนเหมือนมะนาวไม่มีน้ำแล้วรับบัตรมาแบบกระชากกระชากพอเด็กหนุ่มเห็นลูกค้าสาวท่าทางเอาแต่ใจตัวยอมรอก็อธิบายหลายวันมานี้คนยืนเข้าแถวรอกันเหมือนคิวม้าหมุนในสวนสนุกพี่มาวันนี้ถือว่าโชคดีแล้วลุงแกเอาผมมาช่วยแจกบัตรให้พี่จะได้ไปทาธุระอย่างอื่นก่อน เก่งจริงทำไมไม่ย้ายไปเปิดสนักโกโก้เลยละ่ะครับเดี๋ยวพี่คงได้นำบัตรพร้อมแผนที่จากลุงแกยอมเสียค่ามาจําล่วงหน้าเปล่าๆเพราะต้อนรับลูกค้าแบบนี้ไม่ไหวนี่ก็หาบ้านได้แล้วมีลูกค้ารายหนึ่งยกบ้านเช่าให้อยู่ฟรีหนึ่งปีผมกับย่าเลยพลอยสบายล้านดาวถึงกับสะดึกเป็นครูเพราะว่าก่อนจะตอบปากต่อคําด้วยความขมขื่นก็มีลูกค้าอีกรายเยี่ยมหน้าเข้ามาจดจ้องมองหมอดูอุปการะเด็กแจกบัตรคิวจึงขอตัวเลี่ยงไปทางนั้น เป็นโอกาสแรกที่มาวันทาเห็นอาการคุณหนูอารมณ์ร้ายของลานดาวพอจะเดาได้ว่าเพราะไม่สบอารมณ์หมอดูอุปการะอยู่ก่อนหน้าพอบวกกับการต้องรอนานจึงหงุดหงิดอย่างแรงงั้นเราไปเลือกซื้อฟลูตกันก่อนที่จริงดีเหมือนกันจะได้จอดรถทิ้งไว้นี่แล้วไปแท็กซี่แทนเพราะแถวเวิร์กหาที่จอดยากมาวันทาชวนด้วยน้ำเสียงประโลมลานดาวจึงรู้สึกตัวหันมายิ้มหวานค่ะถ้าเลือกของได้จากเวิร์กเดินทางไปกลับ รวมกินข้าวกลางวันก็คงเกือบพอดีเวลานัดเกือบชั่วโมงสองสาวก็มาเดินเข้าร้านโนนออกร้านนี้ในย่านเวิงนครเกษมอันเป็นแหล่งรวมร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีมานมนานและโดยมากเจ้าของร้านจะยอมให้ลองเป่าเครื่องลมได้ทุกชิ้นต่างจากร้านในห้างใหญ่หรือตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อ ด, ดังที่บางทีอิดเอื้อนจนกว่าจะแน่ใจว่าลูกค้าขอลองด้วยเจตนาซื้อจริง ลานดาวขออนุญาตพ่อไวแล้วว่าวันนี้อาจใช้บัตรเครดิตเสริมของหล่อนรูดซื้อฟลูต ร, ราคาเรือนแสนหลังจากออดอ้อนอยู่สองสามคำในช่วงอาหารเช้าก็ได้รับอนุมัติวงเงินตามที่ขอมาโดยสะดวกโยทินประสาลูกสาวคนเดียวของท่านเศรษฐีที่ถูกตามใจมาแต่เล็กนั่นทําให้การเฟ้นหาสินค้าของมาวันทาพุ่งเป้าไปที่ของเกรดดีเป็นหลักด้วยความรู้เรื่องวัสดุและการประกอบสร้างเป็นอย่างดีของนักฟลูดสาวทําให้หล่อนตรวจหลายๆยี่ห้ออย่างละเอียดทุกซอกมุม กับทั้งขอทดลองเป่าเป็นเรื่องเป็นราวมาวันทาชี้ให้น้องสาวฟังเป็นระยะว่าสำเนียงเสียงแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นที่ตอบสนองลมเป่านั้นต่างกันอย่างไรถ้าทีเอาใจใส่ตรวจสอบจริงจังรวมทั้งเจรจากับเจ้าของร้านเรื่องราคาและบริการหลังการขายทำให้ลานดาวเกรงใจกับนึกขอบคุณพี่สาวเป็นกาลังในที่สุดก็เลือกได้ฟลุตเงินเ ง, นงาวับงดงามไรที่ติกับทั้งตอบสนองลมได้พิวนุ่มละไมหู รูระประมาณเดียวกับเราของมาวันทามูลค่าสูงพอจะให้มนุษย์เงินเดือนทั่วไปประทังชีวิตได้ร่วมปีขอบคุณนะคะพี่เอิญลานดาวพนมมือไหว้ด้วยความระลึกว่าเป็นบุญคุณจริงๆสําหรับการคัดเลือกของดีที่สุดให้คล้ายเครื่องประดับลําค่าเหมาะตัวอันถูกกาหนดไว้เป็นคู่ใจตลอดการระหว่างนั่งแท็กซี่กลับมายางังศูนย์การค้าเพื่อดูหมอหล่อนทําเหมือนเด็กเห่อของเล่นใหม่นั่งซ้อมเป่านั่งรูปคลานั่งเช็ดถูทําความสะอาดฟลุตเรือนแสนไม่วาง ถามตนเองเงียบๆในใจว่าทำไมไม่รักฟูดเสียตั้งนานแล้วสองสาวมาถึงซุ้มของหมอดูอุปการะตโมัยรีตรงเวลาที่แรกลานดาวตั้งท่าจะแยกไปเดินเล่นแต่มาวันทาเห็นว่าตนอยากรู้แค่เรื่องญาติที่ตายจึงชวนคู่หูไปนั่งด้วยกันเป็นเพื่อนลานดาวลังเลอยู่อึดใจก่อนคิดว่าดีเหมือนกันอยากรู้ว่าวันนี้จะทายอะไรผิดอีกมาวันทาเห็นบุ ค, คลิกลักษณะของหมออุปการะแล้วนึกเลื่อมใสระคนยำเกรง ก็ยกมือไหว้ด้วยความอ่อนน้อมก่อนลงนั่งแต่ลานดาวเพียงเชิดหน้านั่งแบบกระแทกหน่อยๆเท่านั้นหมออุปการะมองไปทางคนหน้าตึงยิ้มยิ้มสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องอะไรพาพี่สาวมาดูค่ะไม่ได้มาดูเองอ้ออุปการะเบนสายตามาทางลูกค้าสาวอีกรายพยักหน้าเป็นเชิงทักทายอีกครั้งมาวันทาสยามยิ้มกระแสตาของบุรุษวัยกลางคนตรงหน้ามีความอบอุ่นแต่ก็ชวนให้นึกคล้ำอย่างประหลาด หลอนอึกอักต้องคิดเรียบเรียงคํำถามใหม่ทั้งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยกระทั่งลานดาวชิงบอกเสียเองเพราะเห็นว่าไหนๆตนก็เป็นฝ่ายเปิดฉากแล้วคุณป้าเขาเพิ่งเสียอยากให้พี่ช่วยดูหน่อยว่ามีอันเป็นไปอย่างไรพอจะช่วยได้บ้างไหมเพราะก่อนสิ้นใจอาการไม่สู้ดีนักชื่อและนามสกุลอะไรครับลานดาวทำปากยื่นพี่นั่งทางนายรู้ได้เองไม่ใช่หรือคะทําไมต้องถามแขวะอย่างลืมตัวลืมไปว่าอาจเป็นการทําให้อุปการะเสียเส้น บมดอารมณ์ดูให้มาวันถาก็ได้ถามเพื่อเอาคําตอบจากปากนั้นง่ายสงวนกําลังไว้ดูเรื่องจําเป็นที่ถามใครไม่ได้ดีกว่าครับอุปการะอธิบายอย่างใจเย็นไม่มีปฏิกิริยาคุณเคืองแม้แต่น้อยนั่นทําให้ลานดาวรู้สึกตัวคลางอ้อออกมาเบาๆแล้วหันไปทางอื่นเปิดโอกาสให้มาวันทาซักเอาเองต่อแพทย์หญิงกระพริบตาปลีบๆได้เห็นนิสัยเสียๆของลานดาวอีกครั้งคืออาจสร้างบรรยากาศตึงเครียดขึ้นได้ด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คํา เพียงเพราะมีความขุนใจเป็นทุนคุณป้าของดิฉันชื่อเพนวัสดุชิตอินค่ะมาวันทาให้ข้อมูลด้วยสีหน้าเกรงใจคล้ายอยากขอรู้แก่โทษแทนน้องสาวอยู่ในทีอุปการะพยักหน้ารับสบายๆยอย่างมีเมตตาแบบผู้ใหญ่ที่เข้าใจและไม่ถือสาโลกเขานิ่งเพื่อแตะจิตลงสัมผัสชื่อเพนวัสดุชิตอินครู่หนึ่งทั้งยังลืมตาแล้วในที่สุดก็กล่าวว่าคุณป้าของคุณหมอไปดีแล้วนะกล่าวเพียงสั้นเท่านั้นมาวันทาถึงกับทำหน้างง เหลือไปมองลานดาวแว บ, บหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นก็เบนสายตามามองหมอดูอุปการะด้วยความสนเทจเช่นกันข้าที่เรียกมาวันแาว่าคุณหมอได้เต็มปากเต็มคําเหรอคะท่านไปดีหรือแพทย์สาวถามเสียงสูงเป็นนายสอว่านั่นเป็นคําตอบที่ขัดกับความรู้สึกครับมีคนส่งวิ ญ, ญญาณป้าของคุณหมอไปเกิดใหม่แล้วเปลี่ยนจากสภาพรุ่มร้อนทรมานเป็นเย็นลงชายวัยกลางคนปิดเปลือกตาลงอย่างนุ่มนวลสองสาวซึ่งจับตามองอยู่ถึงกับสำเนียกได้ถึงความเบิกบานแนวนิ่ง ท่งกำลังกว่าปกติของฝ่ายนั้นเกือบครึ่งนาทีอุปการะจึงลืมตาขึ้นนับเป็นโชควา ส, สนาของคุณป้าวันสวดศพนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งตรวจดูวิญญาณคุณป้าเห็นว่ากําลังอึดอัดลําบากก็ช่วยสงเคราะห์กําหนดจิตแผ่เมตตาในระดับอัปปมัญญาคือกระจายความสุขเย็นซ่านไปทุกทิศทางเป็นอนันต์แล้วเปลี่ยนมะเร็งจําพาะที่วิญญาณคุณป้าซึ่งมีอนุภาพสูงมากพอจะปลุกสติให้ตื่นขึ้นระลึกถึงบุญกุศลได้ นอกจากนั้นท่านยังช่วยกําหนดนิมิตกองบุญที่บําเพ็ญมาอุทิตมอบให้วิญญาณคุณป้าสามารถรับรู้และอนุโมทนาจิตจึงเคลื่อนจากภาวะหยาบเลื่อนไปสู่ภาวะประณีตขึ้นหมอดูอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจฟังเป็นหลักเป็นฐานสองสาวนั่งนิ่งทื่อเป็นครูก่อนที่ลานดาวจะเอียงหน้ามาป้องมือกระซิบมั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดเป็นตุเป็นตะใหญ่ไม่มั่วหรอกครับอุปการะกล่าวอย่างอารมณ์ดีทำเอาลานดาวสะดุ้งเหมือนถูกเข็มแทง แน่ใจว่าเสียงกระซิบแผวขนาดนั้นต้องไม่เล็ดลอดไปถึงหูคนนั่งตรงข้ามเด็ดขาดเพราะอาศัยเพียงลมปากโดยเลี่ยงการใช้แก้วเสียงในลําคอแถมยังมีฝ่ามือบังอยู่อีกชั้นวัดที่ญาติญาติคุณหมอนําศพไปบําเพ็ญนั้นอยู่ริมคลองเข้าใจว่าคงเป็นย่านชานเมืองคุณหมอไปถามหาภิกษุรูปที่ว่านี่ได้ท่านชื่อจํารัดมีรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำหน้าตาดุพูดจาผงผางหน่อยแต่จิตใจท่านงดงามมากหากเล็งไม่ผิดดูเหมือนท่านจะเป็นพระมาหาด้วย หายากที่ทั้งความรู้สูงและมีจิตตานุภาพอย่างใหญ่ระดับนี้มาวันทาหายใจลึกบอกตนเองว่ามาพบผู้วิเศษตัวจริงเข้าแล้ววัดสืบเชตุพลที่พวกเราเอาศพคุณป้าไปบำเพ็ญกุศลตั้งอยู่ริมคลองจริงๆค่ะอุปการะพงกศรีรษะใครโอศพไปบำเพ็ญกับวัดนี้ก็โชคดีหน่อยท่านมหาจำรัสทรงเคราะห์วิ ญ, ญญาณที่พอช่วยได้มานักต่อ น, นักแล้วมาวันทาเกิดความปิติตื้นตันเป็น ล, นล้นพ้นพระดีอยู่ใกล้บ้านนี่เอง แต่หล่อนไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยแม้ท่านช่วยส่งคลอญาติหล่อนไปแล้วก็ตามเนื่องจากท่านทําในสิ่งที่เรียกว่าปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงการสวดศพทั่วไปไม่มีความหมายกับวิญญาณบ้างเลยหรือคะอุปการะสายหน้าถ้าไม่มีใครสื่อกับวิญญาณได้ตรงๆก็มีผลน้อยเหมือนสาดน้ําเย็นไปโดนใครก็คลายร้อนลงครู่หนึ่งเท่านั้นเขายังไม่ได้ดื่มน้ําให้หายหิวไม่มีกําลังวังชาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสักกี่ก้าว เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าจิตต้องอนุโมทนาบุญด้วยอันนี้ก็เหมือนกับที่เปรียบเป็นการดื่มน้ําด้วยตนเองใช่ไหมคะใช่ตอนจิตวิญญาณกําลังมืดบอดและทุรนทุรายนั้นต่อให้เอากุศลกองใหญ่ที่สุกสว่างยื่นไปให้เขาก็อาจไม่เหลือสติพอจะรับเปรียบเหมือนคนโดนขึงพืชย่างสดในกองเพลิงกําลังบิดไปบิดมาจะให้กินน้ําคงไม่ถนัดถ้าคิดช่วยกันจริงๆก่อนอื่นต้องสาดน้ําดับไฟเสียก่อนจากนั้นจึงยื่นแก้วน้ําให้เขาซึ่งเขาต้องเต็มใจรับเอง ดื่มเองด้วยสัญชาตญาณรู้ว่านั่นคือสิ่งดับกระหายการรับนามนี้ก็คือจิตคิดอนุโมทนาส่วนกุศลของญาติที่ทําให้ตนนั่นเองแต่ก็มีวิญญาณบาปบางประเภทพอกอกุศลห่อหุ้มไว้หนาเกินเหมือนกันนะขนาดเจอคนจูงจิตแห้อนุโมทนาเหมือนพยายามเอาน้ํากลอกปากอย่างดื้อด้านสะบัดหนีหรือมองเฉยเพราะกรรมเก่าบิดเบือนนิมิตกุศลให้เป็นนิมิตน่ารังเกียจสําหรับตนไปมิติหลังความตายนี่น่ากลัวจังนะคะบุรุษนักพยากรณ์พ ง, งกศีรษะ ถ้าตายแบบถอยหลังเข้าคลองก็ต้องรอเวกรกำหมดแรงส่งหรือรอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียวเปลี่ยนแป ล, ปลงปรับปรุงหรือแก้ไขผิดให้เป็นถูกเหมือนอย่างตอนมีชีวิตไม่ได้อย่างกรณีญาติคุณหมอจิตวิญญาณหลังตายยังทุรนทุ ร, รายบาปกรรมที่ขี้บ่นจุกจิกเวลาโมโหชอบด่าลูกหลานเจ็บๆบ่อยครั้งถึงขั้นสาบแช่งหนักกว่าอะไรคือเอานิสัยชอบด่าทอนั้นไปนินทาว่าร้ายตั้งวงค่อนขอดพระดีโดยไม่รู้ตัว วจีกรรมอันเผ็ด ร, ร้อนนั้นย้อนมาให้ผลก่อนตายคล้ายไฟเผาเพราะจิตผูกยึดกับความสะใจในการด่าเอามันแน่นเหนียวมากถ้าขาดคนช่วยก็นับว่าน่าเสียดายเพราะดั้งเดิมมีจิตเป็นกุศลช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากบริจาคข้าวของทำบุญกับวัดมาตั้งแต่สาวสาวมาวันทารมเม้มปากหมออุปการะแสดงความรู้จริงอีกครั้งป้าของหล่อนเคยดีมาทางชีวิตแว่าตั้งแต่คบหากับญาติทำกลุ่มหนึ่งท่านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทีละน้อย เริ่มจากติดพูดยกตนข่มท่านเห็นใครต่อใครโง่เง่าเต่าตนไม่มีความรู้ธรรมะเท่าตนไม่รู้จักทางสวรรค์นิพพานเหมือนอย่างตนใครคิดต่างจากตนก็หาว่าเขาบอดใบเป็นบัวในตมหมดโอกาสเจอแสงสว่างที่หล่อนกลัดกลุ้มคือปีไทยท้ายป้าชอบเอาพระมาด่าเล่นเป็นของสนุกเจอหน้ากันเป็นต้องยกเอาเรื่องพระชั่วมาตั้งประเด็นแล้วลามไปเรื่อยแบบเวียงแหฉี้ว่าสมัยนี้ไม่มีพระดีแล้วพอหล่อนพยายามเลี่ยงหรือเปลี่ยนเรื่องก็ไม่หยุด วกกลับมาขุดคุยซ้ำซากพูดแล้วก็พูดอีกอยู่นั่นเองอยู่ใกล้แล้วเต็มไปด้วยความเร่าร้อนหน้าอึดอัดอย่างที่สุดใช้อุบายสกิดให้รู้ตัวอย่างไรก็ไม่ได้ผลปักใจเชื่ออยู่นั่นเองว่าแค่มีความรู้ธรรมะมากๆก็เป็นปัจจัยเพียงพอให้ไปสู่สุขติพบพระศรีอ่านบรรลุธรรมเร็ววันนี้ดิฉันคงต้องไปกราบขอบพระคุณภิกษุที่ช่วยเหลือคุณป้าค่ะเหมาะแล้วครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งจะเป็นสิริมงคลกับตนเอง แล้วมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่ผมบอกไปนั้นเป็นความจริงเขาถามอีกสักข้อได้ไหมคะได้คุยกันเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดอะไรก็ได้บางครั้งเหมือนดิฉันบอกอนาคตได้ถูกคือจะเป็นสังหรณ์วุบวับๆามักมาในรูปความฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือพอใครเล่าอะไรให้ฟังก็คล้ายผุดความรู้ขึ้นเองว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปแบบไหนอยากทราบว่าตรงนี้ดิฉันคิดไปเองอุปทานไปเองหรือเปล่าไม่ใช่อุปทานหรอกครับ เร็วๆนี้คุณหมอก็เพิ่งฝันเห็นวิญญาณซึ่งตายในมือคุณหมอใช่ไหมล่ะสักอาทิตย์ก่อนนี้เองมาวันทายืดตัวตรงทำหน้าตื่นยอมรับหนักแน่นค่ะคนทั่วไปจะไม่มีทางแยกออกเลยว่าอันไหนฝันเลื่อนเปืือนไปเองอันไหนฝันถึงเหตุการณ์ในอนาคตหรือฝันสื่อสารกับวิญญาณจริงๆและเพราะไม่รู้ก็เลยช่วยอะไรใครไม่ได้หญิงสาวใจเต้นแล้วดิฉันควรจะพัฒนาความสามารถตรงนี้ได้อย่างไรคะอุปการะเม้มปาก เท่าที่ผมเห็นด้วยตาเปล่าคุณหมอน่าจะเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีอะไรสักอย่างที่ทําให้มีลมหายใจแข็งแรงสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีมากและด้วยลมหายใจที่ยอดเยี่ยมนั้นก็ส่งผลให้จิตใจมั่นคงเป็นสมาธินั่นเองทําให้มีความสามารถพิเศษทางจิตขึ้นมาความจริงบรรดาหมอทั้งหลายก็เฉียดเฉียดจะมีความสามารถนี้กันอยู่โดยเฉพาะพวกหมอสันหรือหมอฟันทั้งหลายที่ต้องจดจ้องละเอียดละออเป็นเวลานานๆจนนิ่ง เสียแต่ว่าในอาการนิ่งแบบหมอจะมีความเครียดความกดดันทําให้ฟุ้งหนักกลายเป็นม่านมืดบดบังใจมากกว่าจะทําให้ใสและรู้อะไรดีๆทั้งมาวันทาและลานดาวนิ่งฟังอย่างสนใจยิ่งสําหรับคุณหมอคงเพราะมีการเล่นกีฬาหรือดนตรีมาผ่อนคลายความเครียดอย่างสม่ําเสมอทําให้กระแสจิตราบเรียบสุขสดชื่นเป็นประจำความสามารถพิเศษก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าจะพลุกๆุโผล่โผหน่อยเพราะ อืจะว่าไงดีคือถ้าหากทำสมาธิภาวนาตรงๆคนเราจะมีจิตที่ปลอดโปร่งบริสุทธิ์แต่สมาธิในการเล่นกีฬาหรือดนตรีของคุณหมอนั้นมันเจือปนอยู่ด้วยความสนุกในเกมและความหยาดเยิมเคลิมหลงเสียงดนตรีเวลาจิตตั้งมั่นจึงมีความเอียงหรือความมัวหม่นเคลือบคลุมอยู่มากสําหรับกีฬาดิฉันมักจะวิ่งออกกําลังเป็นประจําค่ะบางครั้งก็วิ่งรอบสนามกีฬาของหมู่บ้านแต่โดยมากจะวิ่งบนสายพันธ์ในห้องนอน นอกนั้นก็เล่นแบดมินตันกับเพื่อนศักอาทิตย์ละครั้งส่วนดนตรีก็ถูกนะคะดิฉันเป่าฟลุตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องโฟกัสอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาทุกวันอุปการะพยักหน้าเนิบนาบทอดตาลงต่ําดีครับต่อไปพอเล่นฟลุตเสร็จก็ลองนั่งดูลมหายใจอย่างเดียวเหมือนคนมองลูกตุ้มนาฬิกาแขวนเล่นๆแค่หลับตาถามตัวเองว่าขณะนี้กําลังหายใจออกหรือหายใจเข้าตอนหายใจออกผ่อนคลายยังไงหายใจเข้าสดชื่นแบบไหน หน้าท้องพองหรือแฟบเอาเท่านี้แหละแค่1ินาทีก็จะเปลี่ยนจากสุขหยาดเยิ้มแบบเล่นดนตรีแปลมาเป็นปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกในสมาธิคราวต่อไปอาจพบว่าเมื่อจิตไปสัมผัสเหตุการณ์ล่วงหน้านิมิต จ, จะคมชัดและมีความแม่นยำสูงขึ้นมาวันทาขยับกายอย่างกระตือรือร้นอาจารย์คะหล่อนเลือกสรพนามที่ตรงใจนี่เป็นความสามารถทางจิตแบบเดียวกับที่อาจารย์ใช้พยากรณ์ให้ใครต่อใครหรือเปล่า อุปการะกระพริบตาเนิบช้าและจุดยิ้มมุมปากหน่อยหนึ่งก็ทํานองเดียวกันเพียงแต่บวกมุมมองบวกความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมและธรรมะเข้าไปด้วยคือไม่ใช่เพ่งจะเอานิมิตบอกอนาคตอย่างเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เล็งก่อนว่าร่างกายและจิตใจของเขาในขณะนี้เป็นผลลัพธ์หรือที่เรียกว่าวิบากอันคลี่คลายมาจากกรรมหลักๆอย่างไรพอจิตเรารู้จักตัวเขาผ่านกรรมของเขาถ้าเขาถามอะไรเราก็พยากรณ์ออกมาจากความรู้ตรงนั้นถูก แล้วในส่วนของธรรมะล่ะคะเอาเข้ามาประกอบการดูอย่างไรคนส่วนใหญ่มาดูหมอเพราะเป็นทุกข์ผมก็ตอบให้ตามที่อยากรู้อยากเห็นเป็นการคลายทุกข์เบื้องตน้นจากนั้นถ้าช่วยได้ผมก็จะชี้ให้มองลึกลงไปหาต้นเหตุของทุกข์ใครประกอบกรรมหลักๆอย่างไรเป็นเหตุให้ต้องทุกข์เสมอๆถ้าหาเจอแล้วรู้ตัวและเลิกกรรมนั้นเสียได้ก็เท่ากับเกาถูกที่ขันด้วยระงับเหตุให้เกิดความขันด้วยผลคือหายทุกข์ในปัจจุบันและไม่กลับกรรมเริ่มใหม่อีก ในตามาวันทาเป็นประกายเลื่อมใสลังเลเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจเอ่ยถ้าหากหนูเป็นทุกมีความอึดอัดขับแคนใจเพราะการกระทําของคนอื่นควรทําอย่างไรคะในเมื่อต้นเหตุเป็นบุคคลที่ก่อกรรมกับเราเขามีนิสัยฝังใจยากจะเปลี่ยนแปลงคนเรามักมองว่าความอึดอัดนั้นมีต้นเหตุอยู่ที่คนอื่นถ้ามองเสียว่าหลายครั้งเราขับแคนเพราะคิดมีความคิดเป็นเหตุสาคัญของความขับแค้น อันนั้นก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันคือเป็นมโนกรรมที่คิดเพ่งโทษผู้อื่นหากเราเลิกคิดหรือคิดในทางดีแทนใจก็จะเปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขแต่ถ้าเขาต้องติดต่อเกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่ไม่ยุติธรรมกับเราหรือทําให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์ล่ะคะหลายเรื่องในโลกแก้ไขาจากข้างนอกไม่ได้แต่ปรับปรุงดัดแปลงที่ภายในเราเองได้คนอื่นนั้นต่อให้ตัดแขนตัดขาหั่นร่างกายเราออกเป็นชิ้นชิ้นเราจําเป็นต้องทุกข์แค่ที่กายเท่านั้น ไม่จําเป็นต้องมีทุกทางใจเลยโดยมากจะอยู่ในรูปที่คนอื่นทําร้ายเราด้วยปากหรือมือไม้10บนาทีแต่เรามาทําร้ายตัวเองด้วยความคิดเสียสิบชั่วโมงมาวันทานิ่งซึมลงแต่ประกายตาคลายคิดได้กําลังหาทางว่าจะจัดการกับความคิดของตัวเองยังไงใช่ไหมหญิงสาวกําลังย่นคิ้วนึกเช่นนั้นอยู่จริงๆหัวคิ้วจึงคลายออกค่ะที่คลายหัวคิ้วออกมานี่เพราะตัวอยากจัดการความคิดหายไปใช่ไหมแพทย์สาวยิ้มปนหัวเราะเล็กน้อย ทำไมมันหายไปละ่ะเพราะอาจารย์รู้ใจแล้วทักหนูสิคะถ้าต่อไปเรารู้ใจตัวเองเห็นความอยากจัดการความคิดของตัวเองแล้วทักตัวเองง่ายๆเหมือนอย่างที่ผมทักคุณหมอก็จะโปร่งเบาได้เช่นนี้เหมือนกันตรงที่รู้ตามจริงว่ากำลังอยากนั่นแหละอาการปรากฏของสติความอยากจะหายไปเหลือแต่สติรู้ทันวาระจิตตัวเองแทนมาวันทางหัวเราอีกครั้งด้วยความปลอดโปร่งอย่างประหลาดเหมือนความทะยานอยากถูกจับได้เป็นครั้งแรกในชีวิต แค่รู้เฉยๆหรือคะง่ายใช่ไหมล่ะมนุษย์มีเส้นผมเล็กๆบังตาไม่ให้เห็นภูเขาทั้งลูกมัวแต่งมกันใหญ่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตราบใดที่ยังมีเส้นผมบงผังภูเขาไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีทุกไวรู้ส่วนเหตุแห่งทุกให้ละถ้าเราไม่เพิ่มเหตุแห่งทุกเข้าไปทุกก็หมดแรงเองแต่นี่พอเราทุกพอคิดก็ไปเพิ่มตัวอยากกําจัดความคิดเข้าไปอีกเลยทุกซ้อนทุกหาทางออกจากเขาวงกฏกันไม่เจอ ดูไปเรื่อยๆเถอะครั้งต่อครั้งฝึกสติให้รู้ทันความอยากได้ทันเสียอย่างเดียวจะพบว่าเราไม่ต้องทุกข์เพราะความคิดก็ได้มาวันทาเบาหัวอกบอกตอนเองว่าจะระลึกถึงหน้าที่แห่งความสว่างความเข้าใจในแนวกําหนดสติเท่าทันความอยากนี้เรื่อยไปเหลือบตามองเวลาความจริงยังเหลืออีก 2- อสานาทีแต่นึกอยากถามอะไรอีกมากคิดว่าวันหลังเตรียมมาเป็นข้อๆเลยจะดีกว่าเร่งรีบในขณะเวลาเหลือน้อยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ อูได้อะไรเยอะกว่าที่คาดไว้มากเหลือเกินรับหนูไว้เป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะคะได้ทราบว่าอาจารย์จะย้ายไปหยุดบ้านอยากขอที่อยู่ด้วยค่ะอุปการะส่งนบาบัตรซึ่งมีแผนที่คล้าวๆอยู่ด้านหลังให้แล้วมองแพทย์สาวเยี่ยงบิดาผู้มีเมตตาและความอาทรต่อบุตรีผมขอพูดอะไรอย่างหนึ่งมาวันทาสัมผัสได้ถึงความห่วงใยอันน่าอบอุ่นที่แฝงอยู่ในน้ําเสียงจิตอ่อนน้อมยอมสิโรราบค้อมศีรษะลงรับฟังอย่างตั้งใจทันทีค่ะ เมื่อใดที่คนเราตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเมื่อนั้นสติปัญญาและความรู้ความสามารถทั้งหลายก็ไรค่าเพราะความคิดอ่านทั้งหมดจะถูกนำมาใช้สนับสนุนความหลงผิดหน้ามืดตาโมวเราอาจเผลิดเอบาบกรรมได้เท่ากับคนไม่ดีคนหนึ่งฉะนั้นถ้าตั้งใจให้สัตว์ปฏิญาณกับตนเองอย่างแข็งแรงไว้ล่วงหน้าคือเป็นตายอย่างไรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดก็เป็นความอุ่นใจว่าเราไม่มีวันสร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนแก่ตนเองในภายหลังแพทยสาวฟังแล้วชะ ง, ง, งักค้าง เพราะตลอดชีวิตค่อนข้างเชื่อมั่นในศีลธรรมแห่งตนว่าไม่เคยมีสิ่งใดด่างพร้อยเหตุใดจึงถูกเตือนเรื่องระวังรักษาศีลเข้าอีกทว่าหล่อนก็ได้แต่เก็บความชงนใจไว้และรับปากกับผู้ที่ตนเรียกแล้วว่าอาจารย์ค่ะหนูจะระมัดระวังเสมอขอบพระคุณนะคะแล้ววันหลังจะขอมารบกวนอาจารย์ใหม่ออกจากซุ้มหมอดูมาวันทายิ้มระรื่นเมื่อเหลียวเห็นลานดาวซึมลงจึงทักถามทําไมหน้ามุ้ยอย่างนั้นคนหน้ามุ้ยเงียบนิดหนึ่งก่อนตอบ เปล่าค่ะเห็นพี่เอินสมใจก็เป็นปลื้มแทนตอนปลื้มทําหน้าเงี้นะค่ะเป็นสไตล์ของแต่ละคนอ๋อจริงด้วยขอบใจมากนะจ๊ะที่พาพี่มารู้สึกดีมากๆเลยถือว่าจ๊าทําให้พี่ได้พบอาจารย์ทีเดียวศรัทธาขนาดนั้นเลยหรือคะแค่หมอดูลานดาวเสียงอ่อยในความรู้สึกของพี่ท่านไม่ใช่หมอดูเลยนะไม่ใช่แค่นั้น เห็นความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างสูงของมาวันทาแล้วลานดาวก็เงียบเสียงจำต้องยอมรับกับตนเองว่าหล่อนกำลังประหวั่นเรนลับเพราะถ้าหากหมอดูอุปการะเป็นผู้วิเศษจริงมิแปลว่าเรื่องคู่ของหล่อนจะต้องเป็นไปตามประกาศสิทธิคำทานายของเขาแน่นอนแล้วหรอกหรือวันนี้หล่อนอยากได้ยินหมอดูอุปการะปล่อยไก่ทักทายผิดพลาดอย่างหน้าขันมากกว่าจะให้การกลายเป็นตรงข้ามเช่นนี้พี่ขอแวะวัดสืบเชตุพลหน่อยได้ไหมอยากไปกราบพระจํารัสถ้าท่านจะมีตัวตนอยู่จริง ลานดาวทอดตาไปไกลนั่นเป็นข้อพิสูจน์ชิ้นสุดท้ายว่าหมอดูอุปการะเก่งกาจแบบรือสีทรงอภิญยาหรือไม่ได้สิคะจะก็อยากเห็นเหมือนกันลานดาวขับรถตามทางที่มาวันทาชี้บอกกระทั่งถึงวัดในชั่วโมงต่อมาท่านคะมาวันทาพนมมือกราบถามพระรูปหนึ่งที่เดินผ่านไม่ทราบว่าวัด น, นี้มีพระชื่อจำรัดอยู่หรือเปล่าพระในวัยสาสิรูปนั้นขมวดคิ้วย่นพยายามทบทวนจารัดหรือไม่มีนี่ ลานดาวซึ่งยืนเงี้ยหูฟังใจตุ้มๆ ต, ต่อมๆถึงกับตาใสโพรงออกมาทันทีนั่นไงจะว่าแล้วมั่วแน่นอนแต่มาวันทายังไม่ละความพยายามท่านรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแล้วก็ท่าทางดุหน่อยนะคะบอกลักษณะไปด้วยความเกรงเพราะไม่ทราบว่าจะออกหัวออกก้อยเกิดพระถามว่าเอาชื่อและลักษณะพระมาจากไหนหลอนคงกระอักกระอ่วนเต็มทีเอยมจะหมายถึงท่านจารตพงหรือเปล่านะยมสาวตาสว่าง ยิ้มอย่างมีความหวังขึ้นรำไรดูเหมือนท่านอาจเป็นพระมหาปริญนนะคะ่ะเอออย่างนั้นคงใช่ละท่านมหาจหรัตพงศ์ยืนกุฏิด้านในนะหากอัตมา จ, จะไม่ผิดจะอยู่กุฏิรวมห้องเลขที่27นี่นัดท่านไว้หรือเปล่าละ่ะมาวันทายิ้มอย่างแห้งแลง้งเปล่าเจ้าค่ะงั้นโยมบอกเด็กข้างล่างให้ขึ้นไปช่วยเคาประตูเรียกท่านก็ได้หรือถ้าไม่เห็นใครจะดูเบอร์โทรศัพท์ประจําห้องจากกระดานด้านล่างโทรขึ้นไปกราบขออนุญาตพบด้วยตนเองท่านคงลงมา ขอบพระคุณเจ้าค่ะพะนมมือค้อมตัวกราบด้วยความนอบน้อมและน้ำเสียงสดใส ย, ยิ่งวัดสืบเชตุพลจัดเป็นวัดใหญ่ในย่านชุมชนนั้นเหล่าพระมักมีกิจนิมนประจำมีทั้งกุฏิแยกและอาคารรวมระหว่างทางเดินมาด้วยกันลานดาวยิ่งจอยลงทุกทียิ้มหน่อยหน้ามาวันทาเอ่ยขออย่างคนกำลังมีความสุขตรงข้ามกับอีกฝ่ายอย่างสิ้นเชิงเห็นอยู่แล้วว่าทายชื่อผิดพระจำรสไม่มีตัวตนพี่เอิญยังเชื่ออยู่อีกหรือคะ หมอุปการะเหนื่อยมาทั้งวันอาจบอกคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยแบบเดียวกับที่ถ้าเราเหนื่อยก็คงเล่นดนตรีผิดผิดถูกถูกได้แต่เดี๋ยวเรากําลังจะรู้กันในสองสามนาทีนี้แหละว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงมีเขาบ้างหรือเลวหลอ ย, อย่างสิ้นเชิงเจอกันพี่จะพูดอะไรคะแค่กราบขอบพระคุณท่านนิดเดียวนี่ก็หกโมงกว่าแล้วคงรบกวนท่านไม่เกินหนาทีแล้ววันอื่นค่อยมาใหม่มาวันนี้เพราะใจร้อนแค่อยากรู้ให้ได้ว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น พอมาถึงกุฏิรวมซึ่งน่าจะเป็นที่หมายมาวันทาก็เหลียวไปรอบๆตั้งใจให้ค่าขนมเด็กวัดสักยี่บาทขึ้นไปกราบเรียนขออนุญาตพบพระมหาจรรดพงศ์ทว่าก็เห็นแต่พระหนุ่มกลุ่มหนึ่งนั่งเสวนากันใต้อาคารซึ่งดูแล้วหล่อนคงไม่กล้าแทรกตัวเข้าไปในเขตของพวกท่านเท่าไหร่ยินเสียงแก ล, ก, ลกที่ด้านไกลเหลียวไปก็พบพระร่างสูงใหญ่รูปหนึ่งกําลังยืนกวาดใบไม้อันเป็นกิจของพระที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าใดในวัดเมืองกรุงมาวันทาเพ่งพินิษฐ์ แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าอาจใช่พระรูปที่ตนกำลังสแสวงหาอยู่นั่นเองจึงช่วยมือลานดาวนั่นอาจเป็นท่านก็ได้ลองไปถามดูเถอะสองสาวเดินตัดลานดินไปถึงสมณะที่หมายปรากฏตัวตรงหน้าในระยะห่างพอสมควรมาวันทาพนมมือกราบเรียนท่านด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นหน่อยๆกราบขออภัยเจ้าค่ะโยมมากราบนมัส ก, การพระมหาจรรดพง์ทราบว่าท่านอยู่ที่กุฏิรวมนี้แต่ไม่ทราบจะขออนุญาตเข้าพบท่านได้อย่างไร พระร่างคลาชะงักกิดกวาดใบไม้ของท่านเงยหน้ามองสีกาทั้งสองด้วยความชงนอัตมา น, นี่แหละพระมหาจรรดพง์โยมมีธุระอะไรหรือมาวันทายิ้มอย่างยินดีอึกอักเพียงครู่เดียวก็เรียบเรียงคำออกมาจนได้คืออาจจะฟังดูแปลกหน่อยนะเจ้าคะหากผิดพลาดประการใดกลับขอประธานอภัยโยมขอถามตรงไปตรงมาว่าพระคุณเจ้าเคยกรุณาให้ความสงเคราะห์วิญญาณผู้ตาย ซึ่งญาตินำศพมาบําเพ็ญกุศลที่วัดนี้เป็นประจําใช่หรือไม่ท่านมหาจาหรรดิพงนิ่งไปอึดใจเล็งราศีกาผู้กล่าวเปิดการเจรจาภาทีด้วยความประหลาดใจคลามคลันก็มีอยู่นะโยมรับเพียงนั้นแล้วนิ่งเป็นดุสเนีเนื่องจากไม่แน่ใจนักว่าสมควรกล่าวประการใดต่อโยมต้องกล่าวขอบพระคุณในความกรุณาของพระคุณเจ้าด้วยนะเจ้าคะ่ะเพราะหนึ่งในวิญญาณที่ได้รับการสงเคราะห์อาจเป็นญาติของโยมเองที่เพิ่งเสียไปเมื่อหลายเดือนก่อน แววตาของพระยังไม่จางความสงสัยเชิญนั่งก่อนท่านวางไม้กวาดพิงกับต้นไม้แล้วนำสองสี่การนั่งที่โต๊ะหินด้านใกล้เรื่องเป็นอย่างไรกันนี่เสียงท่านคมชัดเหมือนดุแต่มาวันทาจับห่างเสียงทอดอ่อนอย่างมีเมตตาได้จึงเริ่มเกิดความสบายใจและหากมีสิ่งใดผิดพลาดก็คงไม่นึกอับอายนักดูวัยของท่านก็น่าจะห่างจากหล่อนเพียงไม่เกินห้าปีเท่านั้นนับว่าน้อยกว่าที่คิดมากกลับเรียนแบบไม่อ้อมค้อมเลยแล้วกันนะเจ้าคะ คุณป้าของโยมเพิ่งเสียโยมเป็นทุกข์อยู่ด้วยความห่วงว่าถ้าชาติพบมีจริงป้าอาจไปไม่ดีนักเพราะก่อนตายดูท่าทางกระสับกระส่ายและบ่นว่าร้อนเพิ่งวันนี้น้องสาวของโยมพาไปพบหมอดูคนหนึ่งซึ่งมียานรู้เห็นแบบทางในท่านบอกทํานองว่าป้าของโยมไปร้ายจริงแต่มีคนช่วยเหลือไว้แล้วส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นแล้วเออซึ่งก็คือพระคุณเจ้างั้นหรือ คราวนี้ท่านแสดงอาการประมาณทึ่งมากกว่าจะสงสัยภิกษุแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตถ์สรพพวิญญาณอยู่แล้วโดยเฉพาะในวันสวดศพนะนะอัตมาเป็นเพียงพระผู้น้อยที่ทำตามธรรมเนียมเหล่าครูบาอาจารย์พระปฏิบัติท่านที่สอนว่าถ้าช่วยได้ก็ควรช่วยแค่อีกวันของเราแต่อาจเป็นพบใหม่ของเขาว่าแต่หมอดูบอกอย่างไรล่ะระบุชื่ออัตมาเลยทีเดียวหรือว่าประมาณรูปร่างหน้าตาอย่างอัตมาความจริงบอกคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเจ้าค่ะ คือระบุว่าท่านชื่อจํำรัดแต่โยมถามพระในวัดท่านว่ามีแต่มหาจาหรัดพงศ์มหาจาหรัดพงศ์ย้ําปากหัวเราะเอือยดูสีหน้าลดความเคร่งอ่อนเยาวลงมากชื่อเดิมของอัตมาคือจํำรัดทุกวันนี้บางคนที่รู้จักกันแต่เด็กก็ยังเรียกว่าจํำรัดอยู่สําหรับชื่อจรัดพงศ์นั้นตั้งใหม่เมื่อก่อนอายุครบบวชเพราะมีหมอดูทักให้โยมพ่อโยมแม่เปลี่ยนชื่ออัตมาเป็นอย่างนี้จะดวงดีขึ้นความจริงอัตมาเห็นว่าเหลวไหลแต่ขัดพ่อแม่ไม่ได้จึงต้องเลยตามเลย มาวันทากับลานดาวขนลุกสู้หมอดูที่ว่านี่คือใครละ่ะถ้าทางมือฉกาดทีเดียวโยนชื่อออกมาถูกเป๊ะได้อย่างนี้ท่านชื่ออุปการราเจ้าค่ะอุปการรตโมภัยรีือ้อมหาเจารต์พงปิดตาลงหายใจยาวดับความหมายรู้ทางอายตนะหยาบด้วยความชำนาญกำหนดใจให้นิ่งว่างสว่างรู้โดยปราศจากอคติใดๆแล้วเอาจิตแตะเข้าไปที่ชื่ออุปการรตโมภัยรี ความรู้ก็ผุดเด่นขึ้นด้วยเดชชาแห่งการบำเพ็ญเพียรภาวนามาช้านานชั้นแรกเป็นนิมิตใบหน้าอิ่มบุญนุ่มนวลมีเมตตาของชายกลางคนคล้ายภาพที่ถูกฉายบนจอภาพยนตร์ชั้นที่สองคืออาการแจ่มแจ้งว่าบุรุษผู้นี้ไม่ธรรมดาข้างนอกสวมเสื้อผ้าคารวาสแต่ข้างในยังเป็นจีวรพระที่ต้องสึกออกมาทำอาชีพหมอดูชั่วคลาวเพราะความจำเป็นบางประการซึ่งมหาจรรดพงก็ไม่ติดใจสืบสาวลวงลึกไปในเรื่องส่วนตัวใคร และเมื่อกำหนดจิตน้อมเอานิมิตหมออุปการรับมายงเข้ากับกระแสจิตของสองศีการตรงหน้าท่านมหาก็รู้ทะลุปลุกปลงเห็นอาการต้านจากศีกาด้านซ้ายและอาการยอมรับเป็นครูอาจารย์จากศีกาผู้เสวนากับตนแม้รู้ละเอียดเช่นนั้นท่านมหาจหรรฐพงก็ไม่ได้เอ่ยแสดงแต่อย่างใดเมื่อลืมตาขึ้นก็เพียงกล่าวด้วยสำเนียงราบเรียบเป็นปกติก็ดีนะถือว่าทาให้ยมสบายใจเรื่องญาติได้ แล้วก็ปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นจะได้เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงพบภูมิหลังความตายไม่ใช่เรื่องหลอกเจ้าค่ะโยมมีความสงสัยอยู่ข้อหนึ่งวิญญาณคนตายส่วนใหญ่อยู่ในภาวะไม่สามารถช่วยตนเองเช่นนี้หรือเจ้าคะมหาเจาริญพงษย้ำริมฝีปากเล็กน้อยพทอดตามองสีกาด้วยเมตตามนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในห้วงภวังเหมือนถูกสะกดด้วยคำํำสาปต้องมนลงหลงไหลรูปรสกลิ่นเสียงจนงอหัวไม่ขึ้นกิเลสขีข่คออยู่ตลอด แบบเดียวกับท่าที่นายบังคับให้ทําอะไรก็ทําหรือแบบเดียวกับนักโทษถูกจับกดน้ําให้สําลักแล้วสําลักเล่าโอกาสหายใจหายคอไม่ค่อยมีจิตวิญญาณคนเราก็อย่างนั้นเปียกชุ่มด้วยน้ําคือกามและพยาบาทที่จะแห้งสะอาดสบายเบิกบานเป็นกุศล น, นั้นยากนักดังนั้นหากตายก่อนถึงอายุไขก็มักอยู่ในอาการมึนหรือสลึมสลือจิตไม่มีกําลังเพียงพอจะเคลื่อนไปสู่ภพใหม่ยังไม่ไปเป็นเทวดาสัตว์อสู ร, รกายหรือสัตว์นรก หากจะเทียบให้ใกล้เคียงที่สุดก็คืออยู่ในภูมิเปลทอย่างเต็มไปด้วยความทรงจําเก่าๆ เ, เหมือนคนเดิมที่กําลังฝันร้ายน้อยเท่าน้อยที่จุติจากความเป็นมนุษย์แล้วทยานขึ้นสูงส่วนใหญ่พุ่งหลาวลงเหวกันเรียบแล้วพระคุณเจ้าสงเครา ว, วิญญาณที่พอโปลดได้อย่างไรเจ้าคะวิญญาณลําบากที่อัตมาและเพื่อนพระทั้งหลายพอช่วยได้จะเป็นประเภทไม่ถูกอากุศลวิบากห่อหุ้มไว้หนาเกินไปยังมีช่องว่างให้ความสว่างแห่งกุศลแทรกเข้าไปถึงได้บ้าง รับไอเย็นจากกระแสเมตตาได้บ้างอันนี้เปรียบเหมือนสาสน้ําเย็นใสถ้าไม่ใส่เกราะเหล็กปิดบังไว้หนาเกินความเย็นของน้ําก็แทรกถึงผิวเขาเองพอเรียกสติได้บ้างทํานองเดียวกับคนสลบถูกปลูกได้ด้วยความชุ่มชื่นของน้ําพอเขารู้สึกตัวหายมึนแล้วมีสติคิดอ่านพร้อมพอจะรับรู้อะไรอะไรอัตมาและเพื่อนพระทั้งหลายก็อุทิศส่วนกุศลให้เขารับอันนี้จะเปรียบเหมือนการยื่นน้ําให้เขาดื่มกิน เมื่อน้ำลวงผ่านคอลงท้องก็จะหายหิวมีกำลังวังชาและสามารถเดินทางไปสู่เมืองใหม่อันควรแก่เขาได้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะมาวันทาพนมมือว่าด้วยความกระจังในธรรมขณะเดียวกันก็ขนลุกอีกระลอกไปด้วยเพราะท่านมาหากลาราวกับลอกคำสำคัญของมอุปการะมาจนสิน้นกลาบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความกรุณาที่มีต่อญาติของโยมขอประวารณาตัวเป็นอุ ป, ปตากหากมีสิ่งใดขาดเหลือเมื่อพบหน้าขอให้ใช้สอยได้เสมอ พระมหาเจ้ารัดพงหัวรอเล็กน้อยในลำคอคิดในใจว่าสีกา ร, รายนี้ท่าทางคุ้นกับธรรมเนียมใสวนาระหว่างคารวาสและพระดีจริงเจริญพรโยมอยู่นานคงไม่เหมาะเพราะเย็นมากแล้ววันหน้าค่อยขออนุญาตมากราบทําบุญกับพระคุณเจ้าน่ะเจ้าคะเจริญพร